บทภาชณีติกะปาจิตตีสองอยหกสิอาหารที่ย <ination> ังไม่ได้รับประเคนภิกษุสําคัญว่ายังไม่ได้รับประเคนชั้นอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลําคอนอกจากน้ําและไม้ชําระฟันต้องอบัตปาจิตตีอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนภิกษุไม่แน่ใจชั้นอาหารที่ไม่มีผู้ถวายนอกจากน้ําและไม้ชําระฟันต้องอบัตปาจิตตีทุกทุกกฎ อาหารที่รับประเคนภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้รับประเค้นต้องอบัติทุกกฎอาหารที่รับประเค้นภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎอาหารที่รับประเค้นภิกษุสำคัญว่ารับประเคนไม่ต้องอบัต